นะ่าจะทําชว์ว่าคือตลอดทั้งวันนะพวกเราทําได้ดีมากแนมะ่ทางจะไ ก, กลกว่าสองวันที่แล้วแล้วก็วิบากนะธุรกันดารในหลายช่วงแต่พวกเราก็พากันมาถึงที่อย่างพร้อมเพรียงทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กทั้งหมาไม่ <c oughs> ว, ว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะนะน่าทึ่งมากคือ เด็กๆเนี่ยนะอายุสี่ขวภาพาขวบตัวน้อยๆ น, นะล้หลายคนก็เดินตลอดทางหรือแทาจะเอ่อแทบจะตลอดเส้นทางเลยอันนี้ก็น่าประทับใจมากเพราะว่าเด็กมีเขาก้าวได้ ก, กระรอเยอะแล้วเขาไวยสงสัยว่าเราก็จะไม่มีเอ่อจุดประสงค์ที่เด่นชัดเหมือนเร า, เาผู้ใหญ่นี่ก็มีจุดประสงค์เด่นชัดนะว่ามา เดินเพื่อสิ่งว่าร้องเพื่อรนรงให้โลกมันได้อยู่เฉียปยปฏิทินหรือเพื่อปฏิบัติธรรมนะตอเด็กเขาหลายคนก็จะไม่ได้คิดไปจิงขนานนั้นะแต่ว่าเขากนะ็สามารถที่จะพาตัวเองมาพร้อมๆผู้ใหญ่ได้แล้บางทอีอาจจะเดินได้อู่กับผู้ใหญ่ด้วยเพาผู้ใหญ่ บางทีก็ฉชาชหลายคนก็ไม่สามารถจะเดินได้อย่างเด็กๆแต่ก็น่าชื่นชมนะอันนี้รวมผู้ใหญ่ด้วยหลายท่านก็ไม่เคยเดินไกลขนาดนี้แล้วก็สังขารก็ไม่ค่อยหนวนนะแต่ว่าก็สามารถจะพาตัวเองเมาถึงที่นี่ได้พร้อมๆกับคนอื่นมันเป็นเรื่องของใจโดยแท้เลยนะ อย่างที่เคยบอกไปว่าการเดินอนุยาตการมันไม่ใช่เดินด้วยเท้าอย่างเดียวมันต้องอาศัยการเดิด้วยใจใจที่สู้ใจที่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรนะใจที่มีความเพีเยรพยายามใจที่ใหญ่เพราะถ้าไม่มีใจที่ใหญ่เนี่ยมันก็ท้อตั้งแต่แรกหรือว่าท้อการทาวันนี้เนี่ยมันก็มีความรู้สึกหลายอย่างเกิดขึ้น กับพวกเราอย่างแน่นอนนะอยากจะให้เราเนี่ยได้เยียวยากเองนึกถึงแต่ความยากลาบากที่เกิดขึ้นระหว่างทางแต่ให้นี้ไปถึงท่านว่าเราสามารถก้าวข้ามฟันฝ่าความยากลําบากนั้นไปได้ตรงนี้แหละที่ทาให้เราเกิดความรู้สึก ด, ดีในตลอดเส้นทางเนี่ยคมันมีความรู้สึกดีเกิดขึ้นกับพวกเรา ในหลายช่วงด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่มีแต่ความเลือ่อยความยากลำบากนะความเพ้อความสุดีรีที่เกิดมีขึ้นชเชื่อเลยนะว่าก็มาถึงจุดหมายปลายทางไงหลายคนก็คงจะยงไม่ถึงว่าเออเราสามารถจะเดินมาได้ด้วยตัวเราเองนะมาจนถึงที่ตาโตนระยะทางก็ไม่ใช่น้อยที่สิบกิโล อยากให้เราเนี่ยจดจําความสุข ด, ด, ดีที่เกิดขึ้นในวันนี้หรือพาะความรู้สึกภาคภูมิใจนะหรือความสุขที่ินดีที่สามารถเอาชนะตัวเองได้มันเป็นเรื่องการเอาชนะตัวเองโดยแท้เลยนะมัไม่ใช่เป็นเรื่องการเอาชนะ ความยากลาบากอย่างนดี้เพราะถ้าเราไม่สามารถเอาชนะตัวเองได้ไม่สามารถเอาชนะความท้อแท้ท้อถอยหรือความไม่เชื่อมั่นในตัวเองได้เนี่ยก็คงจะมาไม่ถึงตรงนี้ให้เราจดจำนะความรู้สึกดีดีความปิติความภาคภูมิใจไว้เพราะว่าจะเป็นต้นทุนที่สาคัญนะสำหรับชีวิตของเราในภายภาคหน้า ไม่ว่าเราจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่หรือผู้เฒ่าแล้วประสบการณ์ดีๆเหล่านี้เนี่ยอย่าปล่อยให้มันผ่านเลยไปในยามที่เราเจอลมซาบเจอลมยากลําบากอย่าป ล, ล่อยให้ถึงความสุข ด, ดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยมันจะมีพลังนะแ้วความสุข ด, ดีๆอย่างที่เกิดขึ้นนะนอกนจากการชนะใจตัวเองก็คืออ่ามิตรภาพความเอื้อเฟื้อนะความช่วเหลือเกิดกูล ละาราพังเนี่ยการที่พวกเรามาถึงที่นี่ได้อย่างพร้อมเพรียงนี่ก็เป็นเรื่องยากแล้วแต่ที่ยากไปนั่นคือเป็นการเดินที่มีคุณภาพ mm hmm. ก็ช่วยกันนะเราขับข้อค อ, องกันให้กำลังใจกันเป็นการเดินที่เป็นระเบียบซึ่งเกิดขึ้นไม่ได้นะถ้าเราไม่ได้มีความช่วยหรือเกื้อกูลกัน อันนี้ก็เป็นปลังขางนิพพานพลังของน้ำใจซึ่งเกิดขึ้นจากพวกเราทั้งที่อาจจะรู้จักกันไม่กี่คนแล้วก็เพิ่มารู้จักกันที่นี่เป็นส่วนใหญ่บางทีัจำชื่อไม่ได้นะแต่ว่าก็เอื่อเฟื้อเกือกูนกันพันดาวพันร้อยกันให้กำลังใจกัน อันนี้เป็นสิ่งที่ให้ความสุข ด, ดีๆกับพวกเราซึ่งมันทําให้เราสามารถจะทำสิ่งยากให้เกิดขึ้นได้ก็เชื่อว่าความสุข ด, ดีอย่างนี้นะจะยังเกิดขึ้นกับพวกเราไปตลอดบางคนก็อาจจ ะ, ะต้องกลับวันพุน่มนี้แต่บางคนก็จะอยู่ไป็นตลอดเส้นทางากตกนะ่างๆก็ให้ระ ล, ลึกนึกถึงความสุข ด, ดีที่ว่า เพราะว่ามันจะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยทำให้เราฟันฝ่าอุปรสรรคัวามยกลำบากเช้นทางที่ยา่ยวไกลและที่ร้อนความยู่หวยความเหมเนื่อยล้าซึ่งจะต้องเกิดขึ้นไม่ว่าวันนี้วันพรุ่งนี้นวันมาลุนนี้อันนี้เป็นเป็น ตนทุนนะที่ช่วยทําให้ทําให้ยาตราอาที่พาเรามาที่นี่เนี่ยมันสำเสร็จรจิงนได้เอาคํานี้เขาคงพูดทําเนี้นะเพราะว่าเอากลัวจะเลิกหรือนะแล้วก็ถือว่าเป็นการให้รางวัลพวกเราบริการพูดทธรรมชาติลงแล้วก็อพอยุติเท่านี้อ่ะการป้องกัน